เจ็ดมหานามสิกขาบทหนึ่งร้อยถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ออกปากขอเพสัดเกินกว่ากำหนดนั้นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินแคว้นสักกะถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับ พ, พักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่พระเจ้ามหานามสากยะขอร้องพวกภิกษุฉับพักขีว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนก็รอไม่ได้ในมหานามสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐาน